นนฟังธรรมะฟังก็นั่งอฟังนั่งดูแล้วก็ย้อนกลับมาดูตัวเราด้วยเ น, นาะธรรมะที่แท้จริงเนี่ยนคะือการเห็นตัวเราถ้าเราเห็นตัวเราได้นะเมื่อนั้นเ่ะจะก็จะท้อนใจธรรมะในในบางครั้งเนาะคนที่เห็นธรรมะเนี่ย เขาไปดจากข้างนอกก่นแล้วเขาก็ย uh ้อนเข้ามาดูตัวเองในมีมีนักบวชคนหนึ่งนะเป็นพระนะเป็นนักบวชปฏิบัติธรรมไปขาปฏิบัติธรรมไปทุกวันพอขณะที่ท่านเดินบิณฑบาตพอเดินบิณฑบาตแล้วเห็นใบไม้จะหลังร่วใบไม้ร่วท่านเห็นอะไร นอกจากใบไม้มันร่วงแล้วเป็นไม้ร่วงนะเบ็ไม้ร่วงท่านกนเป็นไม้ร่วมท่านก็หยิดสภาวะในจิตใจขอ่าด้วยนะของสภาวะจิตของท่นก็มีการเกิดก็ว่าตัดไปเหมือกันเมื่อท่านยินแบบนั้นนะท่านก็เกิดความตั้งใจเสมอ เข้าใจว่าท <Así. S 2> no ุกชีวิตนะก็มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แต่ไปแต่การเกิดเนี่ยถ้าเราไม่เห็นมันเราจะคิดว่าการเกิดแล้วมันเป็นความสุขแต่จริงความเกิดแล้วบางทีมันก็เป็นความทุกข์เนาะพระพุทธเจ้าท่านว่าพวกเรามีชีวิตในการเกิดมาเนี่ยหลายโกคหลชาติมากแต่ถ้าประดู่ของเรานะ่ มันไม่เบื่อมันไม่ปูพังไปเนี่ยเรียกว่ากระดูกเราเนี่จะทับถม น, นะสูงมากกว่าภูเขาที่สูงที่สุดในโลกนี้สูงมากนะถ้ามนุษย์กับากระดูกในชาติที่เราเกิเป็นคนบ้างเป็นสายต่างๆบ้างเนี่ยมาทับถมตัวลงไปสูงมากกว่าภูเขาที่สูงที่สุดในโลกนี้ ผูแสงว่าเราไม่รู้เกิดมากี่พอกกี่ชาแนลหรือผู้ิชี่ารก็พูดว่าถ้าเทียบกับความทุกข์เปรียบเทียบคือการเราท่าเสี่ยใจเนี่ยน้ําตาที่เราไหลมาจากอดีตชาเนี่ยรวมทุกพุกทุกชาแนลมากกว่ามหาสมุททั้งสี่มหาสมุทรที่ว่ามากกาแต่น้ําตาของเราเองมากยิ่งกว่ามหาสมุทั้งสี่ละ นั่นคือการที่เราเวียนไหวใยเกิดมาไม่รู้กีของสีชาตนะิแต่พอถ้าเราปฏิบัติทางไปเราเห็นการเกิดการดับของจิตใจนะอ๋อเนีเ่ยพระพุทธเจ้าต้องบอกว่านี่นายช่างผู้สร้างเรือนสร้างบ้านสร้างพบสร้างชาติให้กับเราเนะมื่อเราเห็นเจ้าแล้วต่อไปเจ้าก็าสร้างพพสร้างชาติ ส้างบ้านใ่้เราไม่ได้อีกแล้วบ้านที่ท่านสร้างขึ้นมาเนี่ยเราก็ซืออก่วเสร็แล้วบ้านอย่างที่คืออะไรภูมิชาในที่คืออะไรคือการตกแต่งตกแต่งว่าอันนี้เป็นเราอันนี้เป็นของของเราอันนี้เป็นตัวตนของเราอันนี้คือตกแต่งตกแต่งว่าเราเช่นตกแต่งว่าเรา เป็นคนอ่างนั้นอย่างนี้นะหรือผูนแต่งจากคำพูดของคนอื่นว่าเขามองเ ร, เราอย่างนี้เราก็เชื่อตามที่เขามองนะอันนี้เป็นการปูนแต่งเป็นะนการมองตัวตนหรือว่าเราปูงแต่งว่าอันนี้เป็นของของเราเนะมื่อเราคิดว่าเป็นของของเราแต่กนะ็เป็นจริงเป็นจานะแต่ถ้าเราเลื่อนสื่จริงนะ มันเป็นของของเราเป็นแค่ชั่วคราวเหมืนกับเรายืนเรายืนเขามาใช้ร่างกายที่เราใช้อยู่ตอนนี้ก็เหมือนกันนะเรียกว่าเรายืนเขามาใช้ยืนเขาไม่ใช้อย่างมากตอนนี้ก็ทักร้อยปีน ะ, อ, ะอย่างมากก็นะร้อยยี่สิบปีนะเรายืนร่างกายมาใช้ไม่เกินร้อยยี่สิบปีก็ต้องทิ้งร่างกายนี้ไป ร่างกายนี้ก็กลายเป็นเป็นสร้างขึ้นสร้างตัดนะย่อยจะไหลไ ป, ปก็เป็เอิดในร่างกายใหม่ก็ยังไม่จบเนี่ยถ้าเรายืมเข้ามาใช้นะแต่ครนนี้ของที่เรายืมเข้ามาใช้เนี่ยจะาจะใช้แบบไหนพริงๆแม้ธรรมะจะบอกว่าร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเราจริงๆเนาะแต่คล้ายๆของที่เรายืมมาใช้อะ เราต้องมียืมอมาใช้ประโยชน์ใช่ไหมครับอเหมือนเราเป็นยืมหนังสือห้องสมุดมาเนี่ยเราหนังสือห้องสมุดมาเนี่ยเราจะเอามาอ่านเพื่อปรึกษาหาความรู้หรือเราจะเอาินสื่อนั้นเอาไปเผาไฟเล่นเอาไปทิ้งทิ้งป้วนาก็ไม่เกิดประโยชน์ใช่ไหมครับฉะนั้นเหมือนจับร่างกายเราเหมืนกับหนังสือที่เรายืมมาจากห้องสมุด เรายืมมาแล้วเราก็ต้องนำไปใช้ประโยชน์ให้มันเกิดคุณค่าที่มันสูงขึ้นแต่ถ้าเราไปใช้ไม่เกิดประโยชน์มันก็เรียกว่ายืมมาแล้วก็เสียเวลาทิ้งไเปเฉยเฉยหรือว่าอาจจะโดนปัาก็ได้นะโดนปรับในฐานะที่อุตสาร์ได้ยืมของเข้ามาแล้วก็ทำให้เขาเสียหาย เหมือนกับเรายืนของจะพ้องสมุดใช่ไหมครับเตรียมหนังสือมาเราทำหนังสือมันฉีกขาหรือว่าทำหายไปเราก็โดนบรรณารักษ์ปรับในฐานะที่ทำหนังสือเสียหายร่างกายที่เราใช้ในชาตินี้ต็เหมือนกันนะบางคนใช้ชีวิตยอย่างเรียกว่าไร้ค่านะเช่น ใช้ชีวิตไปเกี่ยวข้องกับยาเ็พตินดติดยาเ็มตินมากมายหรือใช้ชีวิตในการทําสิ่งที่ไม่ดีมากมายสุดท้ายเมื่อตายไปก็โดนปรับตนปรับให้เป็นตกในสู่ควบคุมที่เตาของไปหรือที่จริงนะก็ไม่ต้องตายอย่างเดวก็อาจจะโดนปรับตนปรับก็ ค, คือความทุกข์ใจนะ ชีวิตมีความทุกข์มากชีวิตต้องดนตหลบหนีหีใช่ไหมครับถ้าเราทำผิดเราก็ต้องคอยซ่อนคอยหลบเป็นอยู่ในที่ไกลไกลกัวตำรวจเขาจะมาจับได้ตัคนอื่นเขาจะรู้ว่าเราทำผิดเรียว่าเป็นชีวิตที่ไม่เปิดเผยเป็นชีวิตที่ต้องคอยตลบซ่อนอันนี้เรียกว่าชีวิตเราติดหนี้หรือว่าโดนปรับ ตั้งแต่ชาตินี้หรือว่าชาติต่ อ, ตอไปแต่ถ้าชีวิตเราใช้ในทางที่ดีเนี่ยเราเียวชาตที่ใช้ชีวิตเนี่ยพัฒนาได้จนถึงขั้นค้นจากความทุกข์เลยนะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเนะี่ยการที่เราจะเกิดมาเป็นมนุษย์นเนี่ยโหยากมากเลยนะยากขนาดไหนท่านเปรียบเทียบว่าเหมือนเตา่าตาก่อตัวหนึ่ง อยู่ในมหาสมุทรที่วาา ก, กว้างใหญ่ไกลแานมากเต่ากระโนด้ะนันะ่อยู่ในมหาสมุทรแต่นานนะแต่นานจึ่จะโผล่ขึ้นมาบนน้ําสักครั้งหนึน่งแตนานโผล่ขึ้นมาบนน้ํามันเป็นความบังเอิญที่ ม, ม, มันมีห่วงห่วงโดยอยู่ในกลางมหาสมุทรมหาสมุทรก็ใหญ่เลยนะห่วงก็นิดเดียว มันเป็นความบังเอิญที่เต่าก็นั้นจะโผล่ขึ้นมาบนน้ำเสียทีแล้วบังเอิญก็โผล่เข้าไปตรงกลางห่วงที่ในมหาสมุทนั้นพอดีเนะี่ยเรียกว่าเป็นความบังเอิญหรือว่าเป็นความเป็นความยากอย่างมากที่เราได้เกิดมาเป็ น, นมนุษย์พวกเราลองคิดดูก็ได้นะในในโลกนี้นเนาะเอาแค่ สิ่งมีชีวิตที่เราสามารถมองเห็นได้หรือว่าเป็นรูปธรรมที่มันเห็นได้เนะแม้แต่สัตว์เนี่ยก็เยอะกว่ามนุษย์ไม่รู้กี่เท่าใช่ไหมครับพวกเรารู้ไหมว่ามดเนี่ยมดยใดๆชนิดเนานะมดดำบ้างมดแดงบ้างมดตัวใหญ่บ้างมดตัวเล็กบ้างเอาน้ำหนักมดทั้งโลกนี้นะครับ มาชั่งรวมกันเนียมากกว่าน้ำหนักมนุษย์เจ็0พันล้านค น, นต้นไปนี้สแสดงว่ามดตวเล็นนที่หนักไม่ถึงหนึ่งขีด น, นะนะน้อยมากนะแต่จำนว น, ม, นมันมหาศาลนะมากกว่ามนุษย์ไม่รู้อาจจะเป็นล้านเท่าก็ได้นะอันนี้ยังไม่รวมแรนด์ต่างๆยังไม่รวมสัตว์ต่างๆที่รู้เยอะมาก เลยยังไม่รวมโชคูมิที่เรามองไปเห็นอีกมากเลยนะฉะ น, นั้นการที่เกิดมาเป็นมนุษย์อิมโฮ้ไม่ว่าเราจม อ, อยู่ในร่างกายเช่นใดนะอยู่ในฐานนเช่นใดเรียกว่าเป็นความโชคดีที่สุดของเราแล้วนะเป็นความโชคดียามากเราสามารถพัฒนาชีวิตนี้ของเราจนกระทั่งเรียกว่าสามารถพ้นจากความทุกข์ได้ หรือสามารที่จะทําประโยชนนะ์ให้แก่ผู้อื่นก็ได้มากมายเหมือนกันอันนี้เรียกว่าเป็นความโชคดีนะเป็นความโชคดีของชีวิต ท, ที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะแต่มนุษย์นะ่เราได้เกิดมาเป็นคนหรเป็นมนุษย์เนี่ยเราว่าโชคดีแล้วนะแต่ถ้าเราใช้ชีวิตไม่ดีเนะี่ยชีวิตเราก็ไม่มีค่านะอนะเปี่ยมบเสมือนกับไปใช้ทำขยะ ฐาขยะคืออะไรนรับาขยะคือที่ที่เรารองรับทุกสิ่งทุกอย่างเนาะที่ทิ้งลงไปในทางขยะนะไม่ว่าเราจะเอาขยะทิ้งลงไปนะขยะก็ไม่ว่าอะไรเราจะเผลอเราซองที่มีเงินอยู่ในนั้นทิ้งลงไปนะขยะก็ไม่ว่าอะไรจะมีโจรขโมยเอาทองแล้วก็โยนทิ้งในทานขยะนะ ทางพยาธ ก, ก็ไม่ว่าอะไรทางพยาธ ก, ก็คืออะไรครับซึ่งมันรองรับทั้งดีแล้วก็ไม่ดีทั้งสิ่งที่ตกรกแล้วก็สิ่งที่มีค่ามันนับทุกอย่างเลยนะ <c oughs> ชีวิตเราเองก็เหมือนกันนะอะชีวิตเราเนี่ยถ้ า, เ, นะาเราไม่เรื่องนะแต่ชีวิตเรามันจะคลายทางพยาธิในฐานะอะไรครับดีก็เอา ไม่ดีก็เอ า, าไม่รู้จักเรื่องะแต่ชีวิตคนเนี่ยมันดีกนั้นได้คือเราสามารถเลือกได้นะอะไรดีเราก็เลือกที่จะรับไว้เก็บไว้พัฒนาที่มันดีขึ้นอะไรไม่ดีเราก็สามารถที่จปะปฏิเสธเราก็สามารถที่จะไม่เอาหรือเอาทิ้งไปก็ได้อันนี้คือชีวิตของเราเ น, ะนาะถ้าเราใช้ชีวิตของเรา แบบนี้เนะี่ยเราจะพัฒนานชีวิตรเราใหยมันดีขึ้นไปได้มากขึ้นแบบนี้เลยแต่เราจะพัฒนานได้แบบไหนถ้าจิตใจเราไม่เข้มแข็ง น, นะครับมันจะยากมากเพราะว่าอะไรการพัฒนาจิตมันคือกินเลสมันก็มามาตอกมารอ่ารอเยอะเลยรู้จักกิเลสไหมกิเลสคืออะไรความโกนธควาโกรธความเพลีย น, น ความโลภความโลภตื่อยากได้แบบไม่มีที่สุดเนาะตืออยากได้โดยที่รู้จักมันไม่รู้จักประมาณนะหรือว่าความหลงอาจจะแช่นหลงหลงว่านนี้สวยนะสวยก็ตรงไปแต่บางทีสิ่งที่เราเห็นว่าสวยมันจะสวยเพียงแค่ภายนอกนะแล้วจะทำให้เราหลงติดใจเช่น นางงามจักรวาลเดิดนางสาวไทยนะเราว่าเ็าสวยนะแต่เราเคยเห็นเห็นได้ดนหนังเขาไหมเราเคดูเรีว่าอัสรูภักนะเวลาที่เขาผ่าศพนะเขาต้องมีตับใตเส้นภู ม, เมิเมนกับเรานาะแค่ผ่าหนังลงมานิดเดียวเนี่ยก็ก็เห็นสิ่งที่ไม่สวยนางลนะในสม่งก่อนนะพิมพักนะท่านไปบินิ บ, บานัน ที่บ้านอย่างหนึ่นงแล้วก็มีนางงามตัวห น, นึ่งนะเขาใส่บาตรใส่บาตรพักท่านวินตาบาตรนางงามคนนั้นใส่บาตรท่า น, นแค่เห็นมือเห็นข้อมือสวยๆเนี่ยไม่กล้าเลือดรู้แค่เห็นข้อมือเนี่ยท่านก็โดง่งผู้หญิงคนนี้สวยกิริยาดน่ารักมากกลับมาที่วัดกินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นเจวัน คิดถึงแต่นางงานเป็นที่ใส่บานรของตัวเองนะกินไม่ได้นอนไม่หลัไม่กล้าเอาไปรับทนะีกันกลัวจะหน้าใจไม่ไหวพอกลับมาที่ว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับเจ็วันพาพิสูจเพื่อนกั น, ก, นก็มาถามว่ามีเหตุอะไรพาแล้วเขาอายไม่กล้าบอกไม่กล้าบอกว่าคิดถึงตสาวงานมที่ตัวเองไปรับบาตรา นะแต่พอวันที law, okay, uh ่เ ah. จ nah, vale so, ็ดแล้วก so, ็เออนะก็สามนางคนนั้นก็เสียชีวิตนะด้วยโรมกัรตินหันปกติพระพุทธเจ้าท่านรู้ว่าสามนางัคเนี้ยเสียชีวิตแล้วก็รู้ว่าสาวนางคนนี้เป็นต้นเหตุที่คนโง่ที่คนนับเยอะมากท่านก็เลยไปบอกพระเจ้าแผ่นดินบอกว่าอย่างสามนางคนนี้นะขอให้เรานจัดการศพได้หรือเปล่า ขอร้อให้พระเจ้าเป็นดีนบอกให้ท่านหารบอกให้อข้า ร, ราชการเป็นปาประกาศต่อประชาชนทั้งเมืองเลยนะให้มาดูทราก ศ, ศพของนางสามงานคนนี้ก็ข้าราชการไลยเป็นประกาศทั่วทั้งเมืองพักที่สุดลูกนี้ก็ได้ยินเขาประกาศว่าผู้นามโศภานิรตายแล้วหนพะระพุทธเจ้ า, อาญญบอกให้ พระอาจารย์ประกาศให้คนทั้งเงิน ม, มาชุมนุมกันมาดูโศกของนางโสภ า, าทุกคนประมาณคระพิสุรุณนั้นประมาทเพราะว่าในไหนเจอก็ตายไปแล้วขอดูโศกเป็นครั้งสุดท้ายหน่อยเมื่อดูไปเป็นยังไงครับพระเจ้าก็ถามในที่ประชุมนั้นน่ะประมาณว่าเนี่ยนางโสภาในตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยถ้าใครอยากจะ ทางคืนกับเธอเนี่ยต้องเสียเงินสูงประมาณสองหมืน่นปัญหา ก, กับนะเอาง่ายๆสนะมมติว่าสองหมื่นบาทนะดดนะ น, นั้นสมมตอนะอ ว, วันเนี้ยนะเธอตายเสียชีวิตเนี่ยใครจะเอาบ้านใครจะซื้อสมบุญเธอไปในราคาสองหมืน่นมีใครจะเอาไหมประชาช น, นัน้งเนงะินไม่เอาเป็นสมมตนะสองหมื่นไม่เอา เอาลาคาหนึ่งพันา 1, 000, 000บาทได้ไหมไม่มีใครเอาห้าพั 5, 000, 000บาทเด้ไหมหนึ่งพันบาทได้ไหมห้าร้อยบาทได้ไหมร้อยบาทได้หมห้าสิบบาทได้ไหมบาทเดียวได้ไหมให้ปีๆได้ไหมไม่มีใครเอาเลยนะ ลดราคาจกนกระทางให้บินปีก็ไม่มีใครเอาคนก็เกินความสุขสันต์โอ้แจกคนสวยๆา ง, งานเนาะแต่ก่อนนี้กว่าวจะนะได้อยู่ใกล้นะ่ก็ต้องเสียเงินเสียทองเยอะมากแต่พอตายแล้วให้บินปีก็ไม่มีใครเอาแล้วพระเจ้าท่านก็เรียกว่าทํานิมิตนะก็คือว่าทํนะาทให้ารหากศพของนางคานั้นเนาะ ให้เกิดเป็นนิมิตในจิตของภาพพิศุู์ลูกพิสงลูปของนางงามอนนั้นทำนิมิตแบบไหนครับให้เห็นว่าศพที่มพงตายไปนะั้นแล้วก็ตายเป็นซากศพที่ตายไปอีกหนึ่งวันสองวันน้ำเหลืองเรื่มไหลนะผิวผ่นเริ่ม เ, เหนียวแห้งขึ้นมาสามวันสี่วันเจ็ดวั น, น, วนอโอ้กลิ่นเหม็น เน่าสภาพนี้ไม่น่าเลยพี่สื่อลูกนั้นได้เกิดเป็นไรครับจกิดก็เลยปองสังเวชที่ใส่สงในความงามของลูกนะก็เห็นความจริงแท้ว่ารูกนี้มันเป็นเที่ยงคนระับลูปนี้มันก็ต้องเน่าเกินผุพังไปจิตของท่านก็ได้บรรลุธรรมตนะนั้นเพราะอะไรครับเห็นความไม่เที่ยงของลูนะ ก็เลยเบื่อไงในสิ่งที่จะเองหลงสิ่งที่จะเองหลงเมื่อเบื่อไงสิ่งที่เองหลงก็เลยต้องแสวงธรรมะอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งเนาะตัวอย่างหนึ่งแต่พวกเราเองเนาะก็ต้องพิจารณาดูนะเราก็เกี่ยวข้องกับรูปได้เนาะแล้วก็เกี่ยวข้องกับรูได้แต่การหลงคือเราไปคิดว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้ตลอด มันจะต้องเช่นสาวสวยเราก็ต้องสวยแบบนี้ตลอดนะเป็นสาวนตะตลอดห้าสิปีหกสิปีแบบนี้มันไม่เทีย่ยงเนาะเราจะผัายเยาวขนาดไหนเราจะชีนโดนวามขนาดไหนมันก็มันก็ได้แค่ชั่วค่าวใช่อันนี้คือสภาพที่เป็นความจริงแทนแน่นอนกว่านะ พอเราไม่ยึดติดในนั้นนะมันก็ทำให้เราคลายความทุกข์ลงไปจากจินใจของเราได้อันนี้คือะคือธรรมะถ้าเราเห็นความจริงตันนี้นะเราก็จะอยู่กับโลกนี้ได้อย่างเรียกว่ามีความทุกข์น้อยลงไปอันนี้ะคือกิเลสนะที่เข้ามาช่วยยวนเราให้ให้เราหลงแต่ถ้าเรารู้ทันก็จะ คือแต่หลายอย่างนั้นให้เราฝึกรู้ท่าทันบางคนก็หลงอะไรครับชื่อเสียงอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะเป็นเจ้าคนานคนก็เลยหลงทำบาปทำกรหลายอย่างนะอย่างบางคนอย่างเช่นเป็นลูกของมหาอตสัตว์ในสมัยโบราณ ก็อยากจะเป็นพระมหาสัตว์ก็อะไรก็ข้าพี่ข้าพน้องข้าพ่อข้าแม่นัวเองเป็นมหาสัตั์ก็มีใช่ไหมครับแยกงชิงอำนาจกันหรือบางตระกูลเ้ารวยเงินทองแล้วก็แยกงมรดกกันพี่น้องข้ากันตายต้องฟ้องร้องกันเป็นมรดกเพื่อนก็มีใช่ไหมครับ อันนี้คือความโกรดที่ทำให้เราข้ามกันนะหรือว่าแยกกันหรือบางคนโกรธแล้วเมื่อมันหายไปก็ทุกข์ใจมากอันทุกข์ใจแต่ก่อนเคยมีแต่พอไม่มีคนหิ่นคึงค่าตัวเองเนี่ยก็ทุกข์มีมีผู้ว่าราชการคนหนึ่งนะเป็นอดีตผู้ว่าราชการ ผู้ว่านี้ก็ถ้าเทียบในจังหวัด น, นี้ก็อถือว่าเป็นคะแน่งที่ใหญ่แหญ่ที่สุดเนานะแต่ก่อนตอนเป็นผู้ว่าราการเนี่ยไปที่ไหนก็มีคนต้อนรับไปที่ไหนก็มีคนเรียกว่าเป็นบริวาเรเดินตามเป็นทัวร์แต่พออายุ60ปีปกระเทียนอายุก็กลับไปอยู่ที่บ้านเกิดของตเอง น, นะแล้วแต่ก็นึกขึ้นใจคิดถึงลูกน้องเก่า ก็กลับไปเป็นก็กลับไปจังหวัดที่เองเคยเป็นผู้ว่าแต่พอกลับไปในฐานะเป็นข้าราชการัางงานนะเนาะไม่ได้มีตำแหน่งเป็นผู้ว่าไปที่น่นคนก็เหมือนแค่ทักทายพอเป็นพิธีถ้าคนรู้จักก็ทักทายพอเป็นพิธีคนไม่รู้จักเขาก็เงนเฉยไม่ได้สนใจอะไรแกเห็นบภาพที่นั้นนะแกเศ้าใจมาก ตั้ใจคิดรปุ๊บแต่ก่อนเคยเป็นคนแห็งขุนโตมีนคนน้องหน้าน้อมหลังนะแต่พอตอนเนี้ยแกรู้สึกว่าชีวิตแกหมดค่าแล้วอนะคิดกัวเองหมดค่าจะเป็นท่าแบบฆ่าตัวตายเพราะอะไครับเพราะโอมในชื่อเสียงเกียรติยศหรือวัฒนธรรมน่งที่ตัวเอเคยเป็นครับนะอันนี้เขาเรียกว่า ภาษาเ้าเรียกว่าหัวโกนนะพวกเราแสดงหัวโกนนะคือเวลามีการแสดงโอนนะเราต้องติดแค่แสดงเราเอาเอาหัวโอนมาใส่หัวแล้วแล้วก็แสดงเป็นตามโอนนั devil, ้นที่เฉยมันไม่ได้เป็นจริงเป็นจำขนาดนั้นชีวิตเราเองต้องเหมือนกันนะเราต้องมีหัวโอนนหัวโอนตอนนี้นาะ เราเป็นนักศึกษาเนี่ยเราอยู่ที่อะไรเราเป็นนักศึกษาเรากลับไปที่บ้านหัวโขนเราก็มีนะเป็นลูกเราไปกลับไปที่บ้านอาจจะมีหงวโขนเป็นพี่หรือเป็นน้องแบบนี้ด้วยใช่ไหรัพอเราออกไปจากประเทศไทยเราต้องมีหัวโขนนะเราเป็นคนไทยไทยประมาณนั้อันนี้คือเรียกว่าหัวโขนที่เราที่เราแสดงครับ เราก็แสดงไปตามบทนั้นแหะนะเราไม่ใช่ว่าเราจะไต่แสดงแต่พอแต่พอโดนคนปาเราก็ต้องเลิกแสดงให้ได้เหมือนกันนะไม่งั้นเราจะเกินความทุกข์ใจอันนี้คือสิ่งที่เราต้องคอยจะหนักรู้ให้มันได้ครับแต่ถ้าเราไม่ยึนตินมันตลอดเนมันจะทุกข์มากทุกข์จนนั่งกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือว่าฆ้าตัวตายก็ได้อันนี้แหละ ถ้าเราถนัดถึงชีวิตเราแบบนี้นะเราไ่ได้ใช้ชีวิตอย่างที่เรียกว่าไม่ประมาทคำว่าไม่ประมาทเข้าใจไหมไม่ประมาทคืออะไรไม่ประมาทว่าเรายังไม่แก่เราก็เลยใช้ชีวิตแบบคนมืแก่คนใช้ชีวิตแบบยืนแก่คืออะไรครับก็คือ สนุกสนากับการเพลิดเพลินกินดื่มหรือเที่ยวเที่ยวอในเชิญบาร์ยังงูกันอะรประมาณนั้นไม่คิดว่าชีวิตนี้ใกล้จะตายประมาณนั้นหรือใช้ชีวิตแบบดื้อเจ็บเชื่อว่าชีวิตนี้เราคงไม่ป่วยไขยไม่เจ็บป่วยอใช้ชีวิตแบบสนุกสนานเพลิดเพลินไม่ดูแลสุขภาพกายหรือใช้ชีวิตแบบดื้อตาย อะไรขึ้นขนองนะเช่นพวกที่ขี่รถแบบเร็วๆนะไม่กลัวรถล้มนะหรือพวกที่เป็นดีการฟังแทนกันไม่กลัววนาจงต้องตายนะหรือใช้ชีวิตแบบทา ง, งานกานๆไม่ไม่ไมระวังเรื่อ ง, องความเครียดหรือว่าเส้นเลือดส น, นองแตกตา ย, ตายหรือขับรถเร็วๆนะอาจจะชนกันตาย เรว่าใช้ชีวิตแบบประมาณนะอันนี้คือแต่ถ้าเรารู้จักคุณค่าของชีวิตเนนะี่ยเราจะถนองชีวิตนี้มากนะเรีว่าใช้ชีวิตแบบวันหนึ่งแล้วก็คืนหนึ่งให้ดีที่สุดมีตัวอย่างคนคนหนึ่งนะที่เขาเรียกว่าตอนนี้เขาใช้ชีวิตแบบวันหนึ่งแล้วก็คืนหนึ่งคืออาจารย์กำพลทองวุลนุ้งนะที่เคยเล้าใหฟังในวันแรก ที่เขาว่าเขาพิการเนาะพิการมนะาสามสิบหก 3, ปีแนละ้วแล้วปีที่แล้วเนี่ยพบว่าตีนนอกจากพิการนะพบว่าตีเป็นมะเร็งในระยะสุดท้ายรักษาไม่ได้เ <c oughs> <g ül> มื่อรักษาไม่ได้เนี่ยรงกษาไม่ได้ก็ไม่รักษาเขาแค่รักษาไปตามอาการเฉยๆแต่ไม่ได้รังษาตวัวมะเร็ง ก็แตกต่างไป ต, ตปามองคการอาจารย์อาจารย์บาบอกว่าเขาขอใช้ชีวิตแบบวันหนึ่งก็เขาก็อยู่หนึ่งไม่ไปคิดถึงอนอาคตว่าจะอยู่ไน้นานเท่าไหร่ให้ไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วหกสินปีใช้ชีวิตอยู่กับวันนี้ทําวันนี้ให้ดีที่สุดมีใครมาสนทนาธรรมเขาก็ยินดี พัฒ น, นาธรรมหรือตอบปัญหาธรรมเรืยใช้ชีวิตไม่ทําให้คนอื่นทุกข์ใจนะคนอื่น จ, จะเือดตอนร่างกายเขาต้องช่วยพุ่มช่วยดูแลร่างกายในใจคนแต่จากคนก็ไม่ใช่ชีวิตให้ตัวเองไปทําชีวิตตัวเองให้คนอื่นเขาทุกข์ใจประมาณนี้แรียกว่าชีวิตวันหนึ่งแล้วก็คืนหนึ่งทําชีวิตในแต่ละวันให้ผ่านไปอย่างคุ้มค่าที่สุดให้ดีที่สุด จะได้ถ้าตายเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นประมาณว่าพ้อมยอมรับตความตายนี่คือคนที่เรียกว่าสุดจิตใจดีเนี่ยก็จะมีชีวิตอย่างมีความสุขในวันและคืนที่ผ่านไปชั่ววูทุกวันนะตอนนี้อย่างคนก็ยังไม่ตายแต่ถ้าจะพูดจริงๆก็คือใกล้แล้วแหละเพราะว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วก็ตั้งสามวินาที ก็มีรูจะมีเวลาที่กี่วันหรือกี่เดือนหรือกี่ปีก็ไม่รู้แต่คนที่สึกกี่ปีนะเขาจ ะ, ะเผชิญความตายอย่างสงบได้อย่างแต่พระอาจารย์หลงพ่อตุ้มเนาะพระอาจารย์อัจารยเนี่ยทั้ง่างทุ่งไนดะ้เิอ ย, ยากเขีย น, นประสบการณ์หลวงพ่อคำเขียนนะที่เป็นอาจารย์ เป็นอาจารย์ของพวกเราที่ม้านป่าสุประตท่านก็เป็นมนเร็งนะแล้วก็รังษาไม่ได้เมื่อปีที่แล้วนะเดือนนี้เลยนะเมื่อวันที่23สิงหาคมนะใกล้จบปกตแล้วนะท่านก็ป่วยเป็นมะเร็งยันสุดท้ายประมาณรอบสุดท้ายที่เป็นเลยนะประมาณเจ็ดเดือนอืม จัคอเขาต้องได้ยคนจับคอนะ จ, บนนจับคอต้อนงะหายใจทำคอหายใจทำคอไม่ได้ไ น, นะท่นชูงูเพราะว่าก้าองเสียงมันตูดตันกลอดลนะแล้วก็จับท้องให้หันสายยางทำท้อนะท่านใช้ชีวิตแบบนี้นนะนประมาณ 6-7 เจดเือนรักษาที่โรงาบาลไม่ได้ก็ขอกลับมาอยู่ที่วัด ท่าก็อยู่กับนะั้นพูดก็ไม่ได้นะจะสื่อสารกันานก็ได้การเขียนสือเอาแต่ท่านก็ไม่ทุกนะก็เจ็บป่วยเรื่องทุกทางกายก็มีอยู่แต่ทุกใจถ่าไม่ได้ทุกใจนะแล้วก็้องเห็นตัวอย่างที่ชัดเจนครับก็คือว่าเช้ามื่นวันที่23สิงหาคมนะปีที่แล้ว อาจารย์นที่ศาลติฆาตโอเคแล้วนพระอาจารย์นอนอยู่ในห้องกับหกข้อจับพระอาจารย์อยู่ทุหนึ่งพระอาจารย์อัญชลาร์ต้อนอนที่ศาลาใกล้ๆนะใกล้ๆนะพระอาจารย์ทุ่มก็มากรุงเทพก็ต้องกลับจากกทุงคอืนนะตีสี่นะหลวงพ่อคนกิ่งหลวงพ่อุเรศหลวงพ่อกิ่งเรียกนี่กิ่งก็ตามเพวกเราก็รู้มาหดือข้อหลวงพ่อทอะไร หลวงพ่อบอกว่าขอขอคลี่ตัวหัวงพนอนให้ออกซิเจนนะที่คอนะทั้งคืนะแล้วก็ท่านก็ขอคิีตัวปรากฏว่าตอเห็นจังหวัดนออกซิเจนแล้วก็ขอเนี <ม ica S 1> น่ยคู้ก้อนเนื้อมันดันหลอดลมคี่นใต้ที่คอนะถ้ามันคอีขึ้นมาคือมันก็หายใจแทบไม่ค่อยได้พากเราพยายามจะฉีดยา พยายามที่จะกันพ่อกขไปก็ทำให้ก็ดันไม่ได้ก็พยายามดัต้ตาอย่างเต็มความสามารถก็ช่วยกันอยู่ห้าหคนนะครับสี่และวก็โยมอีก2อคนมาช่วยกันช่วยกันฉีดยาช่วยกันทำ ห, หลายอย่างหลงพ่อก็หายใจกบบตามสภาพหายใจแับเสียงดังๆแล้วก็ แต่ท่านก็ไแสดงหน้าตาว่าทรมาณพนะอประมาณตีสี่สี่สิบได้ประมาณนั้นนะแล้วกนะ็ทำท่าขอไปเข้นาห้องน้คนที่นอนแบบหายใจดนเหนื่อยนะแต่ก็ขอรุบไปเข้นาห้องน้ท่ปปนานก็รุบไปเข้าห้องนอาตมาก็เดินตามหลวงพ่อไปด้วยนะพรองใสออกิเนเข้าไปในห้อง น, น้ำนั่งดยหลวงพอ่อนะทาอะไร แล้วก็ถ่ายถุงเท้าถ่ายบัสสาวะทำ้ำให้เรียบร้อยแล้วก็นล้างมีอล้างหน้าแล้วก็เดินกลับงาที่เตียงเตียงพยาบาลที่คุณตรีของท่านกลับมานนอนท่านพท่านขอท่านขอกระดาษขอปากกาขอเขียนท่านจะเขียนแบบ เขียนไร่ค่อยถนัดนะเราก็ไม่มีแผ่นรองกระดาษให้ท่านเขียนให้ถนท่านก็เขียนกาจาตยมางก็อยู่บนหัวหนุ่มพ่อข้างๆหหนุอก็อ่านดูก็อ่านไม่รู้เรื่องให้เพื่อนอ่านก็อ่านไม่รู้เรื่องวางไว้ก่อนเถอพอพ่อเขียนเสร็จแล้วก็ยื่นกระดาษให้กับพวกเราใช่ไหเพื่อนก็มาอยู่พวกเราพอไหวเส็จสักพักท่านก็คอตกทําพูไปอ่ จับชีพจรดูเอาหูฟังฟังหัวใจดูก็ไม่เต็มแล้วเร่ยว่าตายไปแ บ, บ่ด้านสำคัญไปแล้วอย่า ง, งสงบมากแต่ดี่เห็นอะไรครับเห็นว่าขนาดของพ่อปคยหนะักงานนั้นนะในวาระสุดท้ายใกล้ยนตายไม่กี่นาทีสุอท้ายเนี่ยยังมีแรงมีแรงนะครับมีแรงเดินไปเข้าห้องน้ำมีแรงเป็นถ่ายอุจจาระ หายัสสาวะล้างมือล้างหน้าให้เรี้อยเรียกว่าชำ ร, ระติมตบกอกเป็นอย่างร่างกายแล้วก็กลับมามาเขียนด้วยครับสลงพ่อรู้ตัวเขียนบอกเราว่าอะไรพอท่านเสียแล้วกลาบไปกลับมากา่านบอกนะท่านเขียนว่าพวกเราขอให้หลวงพ่อทายพวกเราในที่สุนเหมือนทครเรียกเรีก่กเรียกพวกเราพวกเรานะ หลวงพ่อาาก่อนตายประมาณนั้นประมาณก็บอกพวกเราว่าหลวงพ่อจะตายแนละ้วเนาะหลวงพอต้องคิดว่าเราอยากช่วยชีวิตท่านมามาพอถึงขูดแต่ไม่ใช่เป็นปั๊หัวใจไม่ใช่เป็นยื้อแบบแบบนั้นนะขพอรักษาเป็นทางร่างกายเฉยแต่ท่านเมื่อท่านมีส ต, นะติตนะท่านก็ประคองสังขารร่างกายท่านไปทำหน้าที่สิ่งตก่กอๆได้แล้วก็ประคองสติ แต่การเขียนบอกพวกเราว่าให้เตรียมตัวเตรียมใจนะท่านจะไปแล้วแต่พวกเราผ่านไม่บอกเองแต่พอท่านไปพเราก็ทำใจได้เพราะว่าก็เห็นท่านไปด้วยความสง บ, บแล้เราช่วยอย่างเป็นที่แล้วอันนี้นเป็นตัวอย่างที่เป็นประจักษ์ชัดเจนมากว่าผู้ที่มีสติดีนะสามารถใช้ชีวิตก็มีความสุข แล้วก <elet> ็มีประโยชน์ต่อคนอื่นดังขนาดที่จะเทียนชีวิตก็สามาที่ชีวิตอย่างมีความสุงบไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ร้อนใจอันนี้เป็นตัวอย่างหนึงเนาะก็อย่ากจะฝากให้เป็นเช่นว่าเป็นอุทาหรณ์หรือว่าเป็นตัวอย่างในทางที่ดีให้เราได้รู้ว่าชีวิตเรามีคุณภาพมากอยากให้เราได้ใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็มีประโยชน์ แล้วสุดท้ายแม้ร่างกายนี้มันจะเป็นของที่เราดูเข้ามาแต่เราก็จะจากร่างกายนี้ไปด้่ความสงบใจแล้วก็เป็นมรณะสติให้กับตคื่อได้ลึกถึงความชีวิตและความตายจะได้ใช้ชีวิตอย่างให้ประมาทด้วยเนาะข้อมเป็นสิ่งว่ามรรมะเป็ น, า ภ, นภาพเย็นของวันนี้